พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12ก ร, รกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าเรียนธรรมะปฏิบัติกับพระใหม่ในวันนี้ ตรงกับวันที่12กรกดาคมพุทธศักราช2554วันที่16กรกดา54อีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นวันอสศรหาบูชาเป็นวันเข้าพรรษาต่อไปแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาขึ้น15ค่ำเป็นวันอสศรหาบูชาวันอสศรหาบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาจากนี้ไปก็ไม่กี่วันสิบสองสิบาสบสี่สิบห้าก็ใช่แล้วเป็นวันพระเป็นวันอัสารหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปรญจวคีวันอัสารหะนี่ก็คือวันที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวคี ปัญจวคีทั้งห้าได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาตะก่อนมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกได้ตัดสรู้ได้ตัดสรู้พระธรรมในเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้พระธรรมแล้วพระองค์ก็ได้เสวยความสุขหรือว่าเสวยความสุขที่อกคพระองค์ได้ตัดสรู้คล้ายๆว่าได้บรรลุธรรมได้ตัดสรู้ธรรมแล้วก็อยู่เสวยวิมุตติสุข ความสุขทางด้านจิตใจที่พระพุทธองค์ได้ชนะกิเลสโลภโกรดหลงเหมือนกับ น, นักมวยเอกแต่ก่อนมีแต่คู่ต่อสู้แต่บัดนี้น็อกคู่ต่อสู้ทุกตัวที่ว่าเก่งๆที่เราสู้ยากๆตัวกิเลสโลภหนึ่งโกรดหนึ่งหลงหนึ่งราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมีแต่ตัวเป้งๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวราคะ เพราะพระองค์เน้นนกกิเลสเหล่านั้นลงกับพื้นแล้วมองไปที่ไหนไม่มีกิเลสตัวไหนจะมาต่อกอนได้อีกเป็นผู้ชนะไม่ต้องว่าสิบทิศร้อยทิศพันทิศหมื่นทิศแสนทิศมาทางไหนชนะหมดเพราะพระองค์ชนะกิเลสภายในภายในภายในพระไทยของพระองค์แล้วพระองค์ก็มองไปที่ไหนไม่มีศัตรูคู่ต่อสู้ได้อีกแล้ว เป็นผู้ชนะโลกกัิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ชนะหมดทุกอย่างแล้วพระองค์ได้สเสวยวิมุตติสุขค่ะว่าภูมิใจได้ภูมิพระไทยในการได้สำเร็จของพระองค์พระองค์ก็พักตามมัธยาสายเมื่อได้ตัดรูแล้วได้ตัดรูแล้วอยู่ที่โครนต้นโพเจ็ดวันอยู่ที่ต้นไซโครนต้นไซเจ็ดวัน อยู่สะหมดจลินเจ็ดวันแล้วก็อะไรสอง ส, สี่แห่งบนทห้สุดก็จากนั้นพระองค์ก็ว่าธรรมของพระองค์ได้ตัดจรูนี่เป็นของลึกซึ้งเป็นของละเอียดถ้าเราจะไปประกาศสอนให้แก่ใครคนเหล่านั้นเขาคงจะไม่เชื่อ เพราะว่าธรรมะของเราที่ได้ตัตรูนี้เป็นธรรมะที่ทวนกระแสของโลกโลกเขาเนี่ยเขาชอบอีกอย่างหนึง่งตามไหลาตามกระแสน้ําแต่ธรรมะของเราเนี่ทวนกระแสกระแสอย่างไรก็คือพวกโลกทั้งหลายเขาเห็นว่าร่างกายสังขารสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศตรงข้ามสวยงามแต่พระพุทธองค์บอกว่าเป็นพยามานตันหาลาคะอรดี เป็นพยามาลของพระ อ, องค์แล้วก็จะเป็นของอะไรในร่างกายของตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับผังผืดอาการส า, สาบสิบสองในร่างกายพระ อ, องค์ก็ว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของกีรังยัดท้าวรไม่ขงไม่ใช่ของกีรังมั่นคง อ, อีกสักวันหนึ่งจะต้องแตก ตายสลายแน่ลงสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเรานี่มีธาตุสี่คือธาตุดินคือกระดูกนี่คือธาตุสีของแข็งธาตุน้ําก็คือพวกน้ําเลือดน้ําปัสสาวะน้ําไขมันที่มีจังหวะเป็นน้ำกรเพาะเป็นธาตุน้ำํำธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในลําไส้อันนี้ว่าธาตุลมธาตุไฟคือที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น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 หนังถลกออกไปแล้วกองไว้กับพื้นแบนไว้กับพื้นหนังมนุษย์หนังบัวห น, นังควายหนังมนุษย์สวยไหมอันนี้คือพระพุทธองค์ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ของจิรังถาวรไม่ใช่ของสวยงามนี่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้จากท่านท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นท่านเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างเด็ดขาดนีจากนั้นพระ อ, องค์จึงได้เสเวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นโพต้นไทรอย่างที่ว่ายัดทิฏฐเจ็ดวันเจวันจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ว่าทำรรที่เราได้นี่เราจะไปประกาศไปบอกไปกล่าวให้แก่ใครเนาะฟังแต่นึกดูละโอหน้าา ท, ท้อใจท้อพระทยัยในที่จะประกาศพระศิษธรรมประกาศพระศาสนาหรือประกาศทคำคําสอน ให้แก่คนอื่นฟังเพราะคนอื่นเขาอาจจะไม่ฟังอาจจะไม่เชื่ออีกต่างหากเพราะใจของมนุษย์ชาติมันไหลไปทางต่ำแต่ธรรมะที่เราได้ตัดสรู้เนี่ยมันย้อนออมันย้อนออมันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเลย เ, เหมือนกับแยกส่วนแบ่งส่วนออกแล้วมันไม่เห็นจะสวยงามที่ตรงไหนแต่มันอยู่กับร่างกายของเราแล้วมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสมันหลง หลวงราคะราคะโทสะโมหะหลงราคะนี่แหละเห็นเพศตรงข้ามกันมากบบว่าสวยเจ็จสวยงดงามไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าหญิงว่าชายชายก็หลงหญิงหญิงก็หลงชายลักษณะอย่างนั้นอ่ะพระองค์บอกว่ า, วาแต่ขนาดร่างกายของเราเราพิจนารณาดูร่างกายของเราแล้วเขากับเรามันเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันเพราะนั้นอันไหนสวยอันไหนงาม นี่พระองค์ได้พิจารณาเพ่งพินิจอยู่จากนั้นใจของพระองค์รวมสงบจากนั้นก็พิจารณาทางวิปัสสนาเดินวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงจากนั้นพระองค์ก็เห็นอนิจจังทุกของอังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่งางรวดจากนั้นพระองค์ก็จะไปเทศให้แก่ใครฟังท้อปัทไทเท้อปัทไทใ น, ในการประกาศในการแสดงธรรม แนะนำสั่งสอนคนอื่นกลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจกลัวคนอื่นจะปฏิเสธจากนั้นพระองค์จะทำยังไงเมื่อเขาปฏิเสธพระองค์ก็พยายามสอนให้เขาเขาก็ยิ่งปฏิเสธเพราะเขาไม่รับฟังงันพระองค์ก็เหนื่อยเปล่าเอาเถอะเมื่อเราได้ตัดสรุแล้วเราไม่ต้องสอนใครนะจุดนี้แหละคือท้อปไทยจากนั้นพรม พรจะได้มากราบประรัธนาอยพรมมาจะโลกาขอกราบประรัธนาพระพุทธองค์ได้โปรดเวนัยยศด้วยเทินผู้มีทุรีดวงตาจะเห็นธรรมมีอยู่ผู้ใดบำเพ็ญมาบารมีมาแก่กล้าแล้วมีอยู่ในผู้ปัญญาหยาบปัญญาหนาก็มันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละแต่ผู้มีปัญญาบ้าง เบาบางมันมีอยู่ขอพระองค์โปรดผู้มีปัญญาอันเบาบางด้วยเถินผมอัราธนาพระพุทธองค์ก็เออใช่เราก็เป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษเป็นเทวดาอะไรเราก็คิดได้คนอื่นก็น่าจะคิดได้อย่างเราถ้าเราไม่ได้ทำซะเลยแล้วก็ตีพวดไปเลยว่าเขาไม่รู้อย่างนี้เน่คงจะไม่ถูกต้องเพราะนั้น เมื่อเรารู้ได้เมื่อเราแนะนาในทางที่ถูกต้องเขาก็คงจะรู้ได้อย่างเรานะพระ อ, องค์มีแก่จิตแก่ใจจึงหันพระไทยอย่างที่พรหมอากาศอาราธนาจากนั้นพระ อ, องค์ก็เพ่งไปทางดาบททั้งสองคนที่ท่านเป็นอาจารย์ของของท่านก่อนหน้านั้นแต่อาจารย์สองคนท่านท่านเป็นผู้หนักแน่นในในฌานในญาณในสมาธิ แต่ท่านไม่ได้เดินปัญญาพระ อ, องค์จึงขอลาท่านออกมาบําเพ็ญตามลำพังแต่เรื่องฌานเรื่องญาณแะทัศนะเรื่องสมาธินั้นท่านเก่งมากจากนั้นพอเพ่งไปพิจารณาไปทราบว่าท่านมรณะภาพแล้วขึ้นไปเกิดเป็นพรมแล้วไปเกิดเป็นพรมเมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็หันกลับไปทางอื่นเราจะไปโปรดใคร ท่านจึงหันไปทางปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าอยู่ที่ไหนก็ห่างจากพระ อ, องค์ไปไกลพอสมควรอยู่กรุงพารานสีป่าอิสิสปตนามิกทายวันแต่จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพอไปถึงเนี่ยวันอสารหะบูชาเนี่ยพระ อ, องค์ได้โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าเทศทำมาจากกัปวัตนสูตร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 ขัวฟ้าดินสลายไปได้เนี่ยทิปัญญาโกลยะได้ยินได้ได้รับธรรมเพียงแค่เท่านั้นท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเนมื่อได้สําเร็จพระโสดาบันพระโตองค์ก็ว่าเอ อ, อัญญาสิวัตถุวัตถโภโกนท่านอยู่โกนทัญญะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอคือไม่เปล่าประโยชน์จากนั้นปัญญาโกน ย, ย่าก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็อนุญาตอนุญาตให้พระอัญอญาโกรธฐานยะบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วอันนี้ก็คือฐาญยะโกรธนยะบวชเป็นองค์แรกในวันอัสารหะบูชาคือวัน15คห้าที่จะถึงเนี่ยเพราะนั้นถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งวัน อาศรหบูชาคือวันขึ้นสิบห้าค่เดือนแปที่พระัญญาโกนัญญาบวชเป็นอันว่าพระพทุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วได้ตัดสรุ้พระธรรมแล้วได้นำพระธรรมมาประกาศให้แก่ปัญจวัคคีปัญจวัคคีเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสขอบวชจึงมีพระสงฆ์จึงมีพระสงฆ์ขึ้นมาพระสงฆ์อุบัติขึ้นในในโลก วันแลมวันขึ้นสิบห้าคเดือน8เพราะฉะนั้นจึงว่าพระไตรสารณคมคือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์บริบูรณ์คือวันเดือน8เพ็ญถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งที่ว่าเป็นวันอาสาระบูชาเนะพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพระใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็ให้เข้าใจที่ลุงพ่อได้กล่าวให้ฟัง ท่านหลวงพ่อไม่กล่าวพวกเราคงจะไม่รู้เหมือนกันนะนี่แหละอันนี้คือวันอัสสราหะบูชาสาคัญชะไหนาจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้โปรด อ, องค์ต่อไปพัทธยะมหานามาจัจ c h โอลทัยะวะปะพัฏธยะมหานามาจัจ chi โอลทัยาวะปะพัฏธยะนะพัทธิยะนามาจัจ c h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 ให้ปลูกศรัทธาถ้าคนผู้มีอุปนิสัยเก่าพอได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สนใจเป็นผู้ตั้งใจฟังศึกษาคือไม่หันไม่หันแต่แขงข้างให้ว่าไ่ะไม่หันหลังให้ตั้งหน้าฟังว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสั้นสอนเรื่องอะไรท่านสอนหลักเหตุผลรู้รู้จักดีรู้จักชั่ว อันสิ่งไหนควรม่ควรอย่างไรทาคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าผู้มีอุปนิสัยแล้วพอได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกท่านนะก็ทราบทราบไปทั้งร่างกายจิตใจแต่เราผู้ที่ไม่มีอุปนิสัยก็อย่างว่าได้ยินแล้วก็เฉยเพราะเหตุไยเพราะเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้คิด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 ศึกษาดูแล้วฟังดูแล้วมีเหตุผละอันนี้เรายอมรับเลยอย่างพระมหากบินพระมหากบินเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเขตแคว้ขวนของอินเดียสมัยนั้นท่านก็มีบริษัทบริวารเข้มแข็งเข้มข้นลักษาสาประเทศชาติของท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุม่มไปที่ไหนก็มีบริษัทบริวารห้อมรอ้อม ม, มีทหารลาดตระเวนประเทศชาติของตนเองแต่ทีนี้ท่านก็เห็นพ่อค้าพ่อค้าขายสินของไอ้ค้าว่าผ่านมาจากกรุงราดจอกรุงสวัสดีพ่อค้าเกวียนขายของพระเจ้าแผ่นดินมาหากระบินท่านก็ถามเอ้ยพ่อค้าเออ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 ดังไปทั่วโลกแต่สมัยนั้นต้องสืบข่าวจากพวกพ่อค้าวานิชเขาเดินทางไกลพวกบางคนก็พ่อค้าม้าบางังพ่อค้าช่างบางังพ่อค้าวัวควายบางังพ่อค้าเกวียนขายไอ ส, สินค้าพวกผ้าพวกเพชรนินจินดาพวกเงินทองอะไรจย่างทุเทแต่เขาจะขายกันนําไปขายกัน แต่นี้เขาก็ถามว่าผ่านเมืองนั้นมาเป็นยังไงเมืองนั้นเป็นยังไงแต่ในพระมหากระวินท่าก็ถามพวกพ่อค้าวานิชหัวหัวหน้าพ่อค้าก็บอกว่าสิ่งที่แปลกก็คื อ, อพวกพ่อค้าไปเจ้าผ่านมาที่กรุงสวัสดีเขาบอกว่าอาคนทั้งหลายนับถือเรื่อมใสอในมหาปริศลักษณะนับถือพระธรรมคําสอนเอ ของพระพุทธเจา้าเขาว่าพระพุทธเจา้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกอ พ, อพอกระ พ, พุทธเจา้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพอพระมหากระวินได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกต่นนั้นล่ะใครเข้ามันซาไปทางทั้งตัวเลยเลืมสติเลยใครๆบอกคำนี่มันใครๆมันติดพบติดชาติมานมนานอพอลืมขึ้นมา ถามว่าเมื่อกี้นี่พูดอะไรกะหัวหน้าเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกสลบไปอีกว่า ง, ง้นแต่พอครั้งที่สามตั้งสติขึ้นมาอีกพูดอะไรกะบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกกําลังประกาศพระธรรมอยู่พอว่าท่านะโอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้ว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 ให้ค้าวัดอดีตชาตนะิท่านเคยพบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ท่านมาได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะยังไม่ถึงการเวลาของท่านแต่บัดนี้พอมาได้ยินคราวนี้เป็นเรื่องของเก่าเป็นเรื่องที่ติดพบติดชาติมาท่านก็เลยภาคภูมิใจได้ินดีอย่างยิ่งที่ได้รับฟังจากพ่อค้า จากนั้นท่านก็ปะพกเราไปใครจะไปด้วยกับเราพวกทหารหารทางหลายกับพระองค์ไปทีไหนไปด้วยฮะจากนั่นก็ขี่ม้าตะบึงเลยเยนี่จึงได้ไปกราบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาอันพูดอย่างรวบลัดนะจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยแต่ในนางภรรยาอัคคบเตุสีของมหากระิ่ ก็ตามหาผัวอีกวา่าไปที่ไหนไพบพ่อค้ามา้าเขาพ่อค้าม้าเล่าให้ฟังเออเขาก็อย่างที่ว่าเหมือนกันให้ข้าวหมดมันจิตใจรวมสงบเปิ้ยวเข้าไปในลึกเลยมันไม่รับรู้อะไรเลยเออมันจิตใจรวมเน่งเลยอย่างนั้นแตะมันติ่งลงไปเออเป็นอัปปนาสมาธิลักษณะอย่างงั้นน่ะเออพอ ออกถอนออกมาจากสมาธิพูดอะไรก็เหมือนกับพระมหิเหมือนกับพระมหากบินผลสุดนางได้กัพาบริวารตามพระสวาทีไปเหมือนกันแล้วก็ไปถึงได้ฟังธรรมเทศนาพระเจ้าก็ได้บวดเป็นภิกษุณีทั้งห้านี่แหละอันนี้คือท่านมันเป็นอุปนิสัยติดพพติดชาติมาแต่อดีตชาติพอมาถึงชาติที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล พอได้ฟังชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละก็เกิดศรัทธาอย่างซึง้งเพราะเหตุไรเพราะอุปนิสัยเก่าแก่ดึกดำบรรพมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองค์คงจะมีอุปนิสัยเคยบวชแล้วเ ค, เคยปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้วหรือว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นได้บวชได้เป็นอุบาสกอุบาสิกา ได้นับถือเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านี้แล้วพวกเราจึงคราวนี้จึงได้มาปวดขอท่า น, นขอคราวนี้ก็ขอให้ทำบุญต่ออีกนะสร้างบารมีต่ออีกให้บําเพ็ญต่ออีกไม่เสียหายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจของพวกเราถ้าเราออกนอกลู่นอกทางด้านน้าความจิบหายจะต้องเกิดกับเราแน่นอน แต่ถ้าเราพวกเราอยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับหลักพระธรรมวินัยแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นอย่างอื่นเราเสียเวลาเวลาน้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรอันนี้คือส่วนหนึ่งขึ้นเราเรามาบำเพ็ญกุศลมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจแต่เราก็ทานก็ให้อภัยทานาการสงเคราะห์ อนุเคราะห์การแนะนําสั่งสอนล้วนแล้วจะเป็นทานะอีกเหมือนกันทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเรามาเขาเนี่มาเรื่องภาวนาซะมากกว่ามาบรับเป็นภาวนาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะพระลูกหลานทุกองค์ให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจปลูกศรัทธาไว้ในใจทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริง แต่มันทำทดแทนกันไม่ได้เหมือนการทานอาหารอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าการทานอาหารการออกกำลังกายการศึกษาการภาวนาปฏิบัติตัวเองต้องทำเองจะให้ใครทำถ้าตัวเองไม่ทาใครจะทำให้เราเราทำไม่ได้เขาทำให้แทนเราไม่ได้ใครจะทึกานอาหารแทนเราไม่ได้เราต้องลงมือปฏิบัติเองบาเพ็ญเอง นั่นแหละการบำเพ็ญก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเหมือนกับเลี้ยงอาหารเด็กเด็กมันยังไม่รู้คุณค่าของอาหารมันกูเวียงหัวเวียงซ้ายเวียง ข, ขวากว่าแต่พอมันรู้ว่าอาหารมีคุณประโยชน์สําหรับตัวของเด็กแล้วเด็กอ้าปากป้อนยังไม่ทันร้องให้อีกต่างหากเพราะมันหิวฮะต่อไปก็าเลกเด็กก็ได้รับคําอเลี้ยงดูจากนั้นเด็กก็รับ ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆรู้จักวิธีการทานอาหารวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองผู้ใหญ่ไม่จำเป็นเห็นไเพราะเป็นเด็กขึ้นมาแล้วมีแต่ประครับประคองดูห่างๆเองเขาทำเองนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอันดับใหม่ๆเนี่ยพวกเราบวชเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อก็จะต้องเขี่ยวตรงเข็นจะต้องบอกจะต้องกล่าวจะต้องปลูกศรัทธาให้แกพวกอ่า พระลูกพระลานทั้งหลายให้ได้ศึกษาถ้าผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่มาดั้งเดิมพอได้ยินหลวงพ่อพูดได้ได้ยินธรรมเทศนาวงหลวงปู่หลวงตาพวกเราก็เกิดศรัทธาลงมือประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังพวกเราก็จะรู้จริงเห็นจริงได้แต่พวกเราฟังแล้วก็เฉยเฉยไม่เกิดศรัทธามันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเออ พูดในฟังแล้วไปเฉยมันมันไม่เข้ามันไม่เข้าไม่ซึมลึกเข้าสู่จิตใจแต่ถึงยังไงให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาถึงจุดนี้แล้วขนาดนี้แล้วพวกท่านท้งหลายควรจะฝึกหัดดัดเนตสัยเอาจริงเอาจังให้รู้จริงเห็นจังรู้จริงเห็นจังหรือสิเป็นยังไงแต่ละวันอย่าไปนั่งคิด คิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงคนนั้นคนนี้มันไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นจะไปคิดทําไมเรามาอ ย, อยู่ถึงจุดนี้แล้วเรามาบวชไม่ใช่เราเป็นฆราวาสเราต้องห้ามใจของเราเราต้องเด็ดขาดพระพุทธเจ้าพาเด็ดขาดนะพระโต้งบอกว่าเมื่อเสด็จออกจากเวียงวังเราจะไม่หวนกลับมาเวียงวังโดยเด็ดขาดเราจะตายดาบหน้าฮชิตัต t h พระเจ้าของเราท่านเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่เอ้ามันจะตายก็ให้มันตายสมเดือนข้าจะไม่คิดถึงบ้านเด็ดขาด เ, าเมื่อถึงสเดือนแล้วข่อยยังค่อยยังข้ายังค่ อ, อ, อยคิดใหม่จะคิดอย่างไรแต่ช่วงนี้ข้าจะไม่ตามใจกิเลสแน่นอนกิเลสเนี่ยความคิดไปทางต่ําอย่างที่ว่านเนี่ยมันใจใจไม่สู้นั่นแหะตัวกิเลสอยู่ในแฝงอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราเอาทำเข้าไป เียออกจากเก้าอี้คือใจของเราเนี่ยเอาทำเข้าไปความเด็ดเดี่ยวความอาถรรความมีศรัทธาทั้งใจนั่งภาวนานั่งให้นานเราทําอย่างอื่นเราจัางทำได้แต่เรานั่งภาวนาเนี่ยชั่วโมงสองสามชั่วโมงสี่ห้าหกชั่วโมงไม่ได้เหรอเนี่ยเราต้องพยายามนั่งปวดก็ตั้งอ่มันจะเป็นอะไรไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราจะได้เห็นความทุกข์การเป็นอยู่ความทุกข์ของร่างกายอื เมื่อใจจะขาดจริงทุกกว่านี้อันนี้ยังไม่ทุกขนาดนั้นนะใจนะเนยเราต้องสู้ขนาดนั้นแหละจริงจะเห็นธรรมนะถ้าว่าทาไม่ทํำไม่ทมําให้สุดขุดไม่ถึงนะ่ะไม่ได้นะเอทําให้สุดขุดไม่ถึงกนะ็ไม่ได้ไม่ได้ทองเหมือนกันแออมีแต่เกี่ยเกียอยู่ข้างบนนะ่ะทองมันอยู่ดึกลงไปเพราะนั้นเราต้องทําให้สุดสุดแล้วก็ขุดให้ถึงจุดหมายปลายทาง ครูไหวาจานท่านสอนอยังไงนั่งสมาธินะอนั่งเหมือนพระประธานน่ะเวลาเราก็ไหว้พระสกอรอย่างักไหว้พระเมื่อกี้เนี่ยเอาขนาดนี้ก็นับวันดีแล้วไหว้พระยอ่อจากนั้นก็กราบพอ ก, กลาบแล้วก็หันหน้าไปทางเ อ, อหมอนของเราแต่นั่งสมาธิจะเป็นน้องนั่งที่เก่านั่งบางทีก็หันหน้าไปทางหนึ่งบางทีก็หันหน้าไปทางหนึ่ง ในกุฏิเล็กๆของเรา่ะี่ยบางทีก็นั่งข้างนอกทามันง่วงหมอกว่านั่งข้างนอกถ้าไม่มียุงถ้ามียุงจุดยากันยุงซะไล่มันแล้วมียาทาหรือว่าเข้าไปในห้องอเราก็นั่งล็อกกุญแจล็อกล็อกกอนให้ดีไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมีอะไรเข้ามาได้เราก็นั่งอยู่ในห้องเวลาจะนั่งก่ะเอาผ้าเหม่มหรือผ้าปูนั่งปูงซะ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 พวกเราระลึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็อยู่ในใจจากนั้นก็พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงสมจบจากนั้นเอามือลงมือขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราก็จะแผ่เมตตาก่อนก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร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 ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าไปส่งจิตไปถึงอดีตจะไปส่งจิตไปในอนาคตให้ จ, จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ทีปลายจมูกเท่านั้นพุทโธพุทโธนี่แหละนี่คือสติสัมปชัญญะให้มีสติคือความพระลอกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว รู้ตัวอยู่รู้อยู่ที่ปลายจมูกไม่เห็นสงจิตไปในอดีตไม่เส่งจิตใจไปในอนาคตอันนี้ก็คือวิธีการเบื้องต้นจากนั้นก็ถ้าเรามันยังเพิดไพลไปอยู่ได้อยู่เนื่องออกอยู่ให้เราบริกรรมนะบริกรรมที ท, ทีบัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสามทับตัวกับตัวผู้รู้นะั่นแหะตัวที่มันรู้รู้อย่างนะั้ เออไม่ให้มันออกไปที่ไหนให้มันพุโทโธพุโทโธพุทธโถพุทธโถพุทธโถให้มันอยู่ในนั้นเลยท่านี้นี่แหละอันนี้ก็คือบ่ภาวนาเหมือนกันอแต่ถามว่ามันยังเผลอไปอีกอยู่เอ็มมันทำไมเผลอมันหลุดได้เวลายัางไงเมื่อพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งขด้เอีตั้งสติให้เข้มแข็งคึ้นอีกแต่จะไปกดจะไปกลึงนะเพียงแต่ว่าตั้งสติให้เข้มแข็งเจาะเข้าไปดูอเดี๋ยวที้ทดลองนับดูทเท่ อย่นับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิไปถึงร้อยถ้าถึงร้อยมันเผลอไหมถ้ามันไม่เผลอนี่ใช่ได้เพราะว่าใจของเรากําลังเริ่มแล้วเนียเพราะมันไม่เผลอแต่ด้วยมากถ้ามันเผลอเนี่โดยมากมันเผลอบ่อยเลยพอหายใจเข้าหนึ่งสองสามสิจากนับเผลอไปละมันหลุดไปละ ใจมันเหมือนกับลอยๆอันนั้นเราจะไปชะล่าใจนะจะไปนอนใจนะแปลว่ามันสติไม่ไม่ชัดจะไม่อยู่กับตัวล้วไม่ดีแล้วนะเราต้องพยายามกําหนดลมหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองถ้ามันจะหลุดมันจะหลุดจากไหนมันหลุดคือคงจริเวลาหายใจเข้าน่ะเป็นเลขขีหนึ่งนะเวลาหายใจออกเป็นเลขคู่สองไปหายใจหายใจเข้าเป็นเลขคี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ ไปถึงร้อยกู่กัขี่กู่กัขี้ไปเรื่อยนะแต่มันจะออกนะมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่นะ้่ทนนี่หายใจเข้าเป็นเลขแปหายใจออกก็เป็นเลขเก้ามัผิดล่ะท่านนี่เดินผิดทางนะคั้งที่เรากำหนดขาขวาพุธขาซ้ายโทวนะันนี้มันเปลี่ยนกลับกันนะ่ยมันกลับเป็นขาซ้ายขาซ้ายพุทธขาขวาขาขวาโทละท่าน นี่นแหละมันเปลี่ยนกันมันสลับกันแต่แล้วว่าเราเผลอแล้วใช่ไเราเผลอแล้วกลับมาอีกนี่นแหละให้พวกเราสังเกตนะเวลาการภาวนานั่นแหละคือเป็นประการภาวนาเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นขอให้พระลูกพระหลาดทุกองนะอันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนออพระบริกรรมให้ได้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าพวกเราใจอยู่กับพุทโธพุทโธ ท, ทั้งวีทั้งวันใจสงบรวมไปแล้ว เดี๋ยวหลวงพ่อจะสอนวิธีการเดินยังไงเดินวิปัสสนาจะเนี่ยจะเดินไปอีกนะมีเก้าอีกเกหนึ่งจะเดินถูวิปัสสนาเดินอย่างไรอันนี้คือสมถตคือพยายามทำจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจของเราสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละความสุขพวกเราจะรู้บุญคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิแล้ว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 แต่ส่วนนามธรรมจิตใจนั่นนะออกจากร่างนะอเดี๋ยวนี้น่ะมันใจนะเหมือนกับคนเหมือนกับรถกับคนขับรถนะอมันไม่ใช่อันเดียวกันนะคนขับรถนั่นคือใจนะแต่รถนั่คือร่างกายนะไม่ใช่อันเดียวกันนะเราภาวนาดูแยกดูให้ดีกำหนดดูให้ดีเมื่อรจิตใจของเรารวมสงบลงไปแล้วเราจะเห็นได้เราจะรู้ได้ด้วยตนเอง นี่แหละในพรรษาในทางว่าพวกเรานะลูกหลานพระลูกหลานทุกองภาวนาและติดใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งได้นะับว่าได้กําไรได้กําไรในการบวชได้กําไรในชีวิตนะแต่ทางว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วสมาธิก็ยังทําให้เป็นอะไรก็ทําไม่ได้หลวงพ่อวาดนั่นแหละขาดทุนนะสมเดือนมาอยู่ขาดทุนเพอเพออยังประมาทพระพุทธศาสนาอีก ประมาทครูบาอาจารย์อีกต่างหากเพราะให้ไหรเพราะตัวเองทําไม่ได้จิตใจไม่สงบเพราะนั้นขอให้พระลูกพาระหลานทุกองคนะหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงวันนี้จึงได้นัดประชุมเพราะว่าจะว่าปรถมนิเทศก็ใช่วันนี้พอหลวงพ่อออกไปแต่เช้าอย่างพวกลูกพระลูกพาระหลานได้เห็นไปวางศิ ล, ลิฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์อุดรเสร็จทิ้นมาแล้วกลับมาขะคำ่ข่่ หลวงพ่อก็ได้นัดประชุมเพื่อเป็นการแนะ น, นําแนวให้แก่พระลูกพระหลานถ้าอยู่ห่างเหินเกินไปก็เด่นๆด่นดันดนก็ไม่ไ ด, ด, ด้รู้จักทําคําสอนของพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีประโยชน์มีคุณค่ายอย่างไรเพรให้พระลูกพระหลานถ้าอกตั้งใจนะบทมาคราวนี้ให้ใส่ใจเราก็รู้แก่ใจว่าเราจะอยู่ยังไงการอยู่ด้วยการให้ระมัดระวังนะ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 ไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งล่ะออกจากวัดทันทีเลยถ้าทะเลาะกันต่อยกันตีกันนะดวงตามหาบัวท่านให้ออกจากวัดทัางคู่นะถ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งเป็นคงต่อยเขาตีเคขาองค์นั้นเป็นตรงต้องเป็นตร ง, ตร ง, ตรงออกจากวัดอ่าองค์ที่ไม่องค์ไม่ตีเนะี่ยเอออยู่เออเพราะว่าไม่ได้ตีไม่ได้ไม่ได้ทําร้ายเขาแต่องค์ที่ทําร้ายคนเขาตรงนั้นออก นี่แหละให้พวกเราทุกอง น, นะอันนี้มาตรการเด็ดขาดของพระกรรมฐานเรามาอยู่วัดวาศาสนาเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเขาใส่บาตรให้ทุกวันนะพวกเราเขามาบวชและมาเพื่อะละกิเลสราคะโทสะโมหะไอตัวกิเลสโทสะเนะี่ยที่มันอารมณ์มันร้อนไปทุบไปต่อยไปตีคนอื่นเขานะ่ยอันนั้นแปลว่ากิเลสโทสะเรามาเพื่อละกิเลสทําไมเราจะมาสะสมกิเลส เระนั้นขอให้พวกลุกพระลูกพลานทุกองนะให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยนะให้ใจเย็นนะให้ภาวนานะให้มีเหตุมีผลนะอาการอยู่ด้วยกันต้องมีเหตุมีผลอย่าไปล้ออย่าไปเล่นกันให้รักการเมตตากันพึงพาอาศัยกันมีอะไรก็ช่วยช่วยกันจัดช่วยๆวยกันทําหลวงพ่อก็อยู่ในฐานะหนึ่งหลวงพ่อก็ดูแลพวกลูกพวกหลานเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่เต้นเต้นดันๆหลวงพ่อมองแล้ ว, ม อ, ลวมองอีกดูแล้วดูอีกหเห็นมหมหลวงพ่อ ไปไกลกลับมาเลยลุงพ่อเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยอายุหลวงพ่อขนาดไหนแต่ลุงพ่อก็ยังมาเพื่อแนะนําบอกกล่าวให้แก่พระลูกพรลานเป็นห่วงอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกพลูกพระลูกพรลานไม่ได้ยินได้ฟังจะเฉียบฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรเมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก่อนนาไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลก็เกิดความรู้ จากนั้นก็ศึกษาเข้าไปอีกทีหนึ่งหนังสือครูบาอาจารย์บ้างแต่หลวงพ่อก็าไม่แนะนําให้อ่านทั้งวีทั้งวัดหรอกหนังสือนะแต่ก็ควรจะอ่านควรจะศึกษาธรรมะควรจะฟังกลางคืนนะน่าจะฟังเทศหลวงตาทุกคืนนะวันละกันอย่าได้ขาดนั้นดีมากนะเพราะเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออยู่เฉยๆ น, ะนี่ชีวิตนักบวช ต, ต้องเป็นอย่างนี้แหละเอ๊ เราเข้ามาบวชหน้าเบื่อจริงๆไม่ได้ทําอะไรนั่นแหละอันนั้นแปลว่าบวชเข้ามาแ ล, แล้วไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของตนเองนั่นคือให้ภาวนาให้ดูจิตใจใจของเราคิดเรื่องอะไรทําใจให้สงบจากนั้นก็ทําใจให้เบื่อหน่ายคลายเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์นั่นแหละหน้าที่ของพวกเราที่เข้ามาบวชนะอทําไม่ได้ทําการทํางานเหมือนกับคารวาะแต่ทําการทํางานนี่กะ เป็นการทำงานเพื่อที่อยู่อาศัยของพวกเราก็ทําบ้างแต่ว่าท่านไม่ได้เน้นจุดนั้นถือว่าจุดนัน้นเป็นเป็นเป็นเรื่องจะต้องทํำแต่ว่าไม่ใช่หัวใจเหมือนกับพวกเราเนี่ยทำงานทําการเพื่อหาเงินอยากทําอะไรก็ได้เพื่อหาเงินอันนี้ผมเหมือนกันเราทําอะไรกับเพื่อหาธทำทําเข้าสู่จิตใจธรรมะคือหลักเหตุผล ภาวนาตทำกิจให้สงบแต่พวกเราไม่ได้ทํำเลยๆอยู่ไมก็ไม่จะอยู่ยังไงบิณนบัดก็ไม่บิดนบาบัดปัดกวาดก็ไม่ปัดกวาดเราก็ต้องทํากิจวัตรข้อวัดแต่การทําเหล่านั้นก็เพื่อเกื้อคูณหนุนเพื่อความสภาวะสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันแต่พวกเราปฏิบัติถูกแล้วนี่จะความเจริญรุ่งเรืองนะ การพูดกันเนะแ น, แนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอหยุดติไปเปลี่ยนตอนนี้ก่อนนะวันนี้จะไม่พานั่งสมาธินะาตอนนี้ไปถ้าหากพวกเรายังไม่ได้ขอนิสัยก็ขอเนื้อใก็ดีนะเพราะหลวงพ่อออกไปจากวัดเรายังไม่ได้ขอนิสอใ